สสกับท่าทีต่อความสุขแม้ว่าพระ เ, เจ้าจะตรัสสอนเรื่องทุกข์ไว้มากมายแต่พระองค์ก็ไม่ได้สอนให้ปฏิเสธความสุขนะโดยเฉพาะสำหรับปุตุชนคนทั่วไปยังมีคาสอนที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อความสุข ข้อหนึ่งคือว่าไม่สละหรือปฏิเสธความสุขที่ชอบรมความสุขที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความสุดจริตด้วยสัมมาชีวะเป็นต้นเนี่ย น, นีเป็นความสุขที่ชอบรมที่เราไม่ควรปฏิเสธหรือสละทิ้งแต่ว่าพระองค์ก็สอนต่อไปด้วยนะว่าอย่าสยบบกมุดในความสุขนั้น แม่เป็นความสุขที่ชอบทำก็ตามอันนี้เป็นคำสอนที่เราเป็นทางสายกลางนะคือไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทำแต่ว่าก็อย่าไปมกมุ่นหรือว่าหลงไหลมัวเมาในสุขนั้นเพราะถ้าเกิดว่าหลงไหลมัวเมาในสุขนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความยึดติดนะในสุขอที่เราเรียกว่าติดสุข นนติดสุขเนี่ยนะมันไม่ดีอย่างไรนะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะเพราะว่าความสุขนี่มันก็ชวนให้เพลิดเพลินชวนให้ยินดีแล้วการติดสุขเนี่ยมันมีโทษมันเสียหายอย่างไรยิ่งให้พิจารณาดูนะคนเราเนี่ยถากว่าหลงไหลหัวเมาจนติดนะในความสุขนั้นเนี่ยเช่นสมมติว่าติดในความ สะดวกสบายนะติดอาหารที่อร่อยความบันเทิงการละเล่นนะในการที่คนเราเนี่ยจะมีความเพียรในการสร้างความจเจริญงอกงามให้กับชีวิตเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าการทำความเพียรการสร้างสรร ความเจริญให้กับชีวิตเนี่ยนะมันก็ต้องเจอความยากลำบากบ้างเดีย๋ยวว่าแต่อะไรเลยนะแม้ทางการเรียนเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนได้เนี่ยมันก็ต้องไม่กลัวความยากลำบากแต่ถ้าเกิดว่าติดความสะดวกสบายนะหรือว่าติดรสชาติจน อ, อร่อยแล้วเนี่ยนะ ในความเพียรมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรการสร้างความเจริญการสร้างหรือพัฒนาชีวิตตนให้เจริญงอกงามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและอย่างนั้นคือมันสามารถจะพาเราไปสู่ความเสื่อมได้ง่ายเยคนที่อย่างเช่นคนที่ติดเกมติดการละเล่น ติดแม้กระทั่งความบันเทิงเช่นดูหนังฟังเพลงนี่ถ้าเกิดว่าหมกมุ่นอยู่กับมันมากๆเนี่ยการงานก็ไม่เป็นอันต้องทำนะอย่างก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะติดเกมกระทั่งงานการไม่สนใจอันนี้ผู้ใหญ่นะเด็กยิ่งเด็กก็ยิ่งแล้วใหญ่นะ พอติดเข้าไปแล้วนี่มันก็ไม่คิดที่จะเรียนหนังสือหรือไม่คิดที่จะทำอะไรแล้วชีวิตก็จมอยู่ในความเสื่อมในการเติดสูงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตหลายอย่างนะหลายคนเนี่ยก็รู้นั้นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นของดีแต่พอมีเพื่อนชวนมาปฏิบัติที่วัดเนี่ ย, เ, ยเช่นที่สุกโตเนี่ยไม่เอา เพราะว่ามันไม่สะดวกสบายไม่สบายเหมือนบ้านอยู่บ้านนี่สบายนะมีเครื่องปรับอากาศนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะมีเตียงที่นิ่มนุ่มนะนี่ขนาดสนใจการปฏิบัตินะแต่ว่าพอจะให้มาอยู่วัดนี่ไม่เอาแล้วอันนี้เพราะอะไรเพราะติดสุขหรือว่าบางคนนะ รูปาการปฏิบัติธรรมของดีการทำสมาธิเป็นของดีแต่ว่าติดโทรศัพท์มือถือนะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันให้ความสนุกสนานเร้าใจนอกจากความเจริญจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วเนี่ยมันยังชดให้เราเข้าสู่ความเสื่อมอย่างที่ว่านะไม่เป็นอันทำงานทําการ ยิ่งนั้นคือมันสามารถจะชักนำให้เราทำชั่วหรือทำบาป ก, ก็ได้คนเฉพาะการติดในติดสุขที่เกิดจากทรัพย์เนี่ยสุขที่เกิดจากทรัพย์หรือสุขที่เกิดจากตาแหน่งหน้าที่นดศัก์เนี่ ย, ยพอติดแล้วนะมันก็สามารถจะชักชวนหรือล่อลอกให้เราทำชั่วเช่นทุ จ, จริตเพื่อได้มีเงินเยอะๆจะได้มี ความสะดวกสบายมีกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงมีรถนะราคาแพงมีบ้านหลังใหญ่อันนี้มันก็เป็นผลจากการติดสุขนะและที่สำคัญคือว่าไม่เพียงแต่มันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญหรือว่าชักนำให้เราสู่ความเสื่อมความตกต่ำของชีวิตหรือว่าทำให้เราทำชั่วได้ง่ายนะแม้บางคนจะไม่มี นิสัยในทางนั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือว่าเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์เมื่อติดสุขนะโอกาสที่จะเกิดความทุกข์นี่ก็ตามมาอย่างแน่นอนเพราะอะไรนะเพราะว่าสุขหรือว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เป็นสุขที่เกิดจากทรัพย์สุขที่เกิดจากตําแหน่ง ดสักอ์อัครฐานหรือว่าสูตที่เกิดจากคำสรรเส ร, ริญเยินยอหรือว่าคำชื่นชมเนี่ย <_ d ata> พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไอตอนที่มันยังอยู่ก็สุขดีแต่ว่าพอมันเสื่อมสลายหายไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยบางคนเนี่พอสูญเสียทรัพย์เนี่ย จะเป็นพเพราะเศรษฐกิจวิกฤตหรือว่าเป็นเพราะหุ่นราคาตกหรือว่าเพราะถูกโกงก็แล้วแต่บางทีถึงกับค่าตัวตายแล้วก็มีเพราะว่าทนไม่ได้กับการสูญเสียตำแหน่งนะก็เหมือนกันนะตำแหน่งหน้าที่ ไอ้ตอนที่ได้ตำแหน่งหน้าที่มาสูงๆนี้ก็มีความสุขปราบปลืม้มแต่พอสูญเสียมันไปเพราะหมดวาระหรือเพราะเกษียณหรือว่าพาะมีคนแย่งเอาไปเนี่ยชีวิตก็ตกต่ำย่บแย่เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะจนเราเห็นเป็นอาจจินเลยที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะความสุข ที่เกิดจากทราบความสุขที่เกิดจากยศหรือว่าความสุขที่เกิดจากคําสรรเสริญ น, นะแม้แต่ความสุขที่มันเป็นสิ่งที่ดูจะเป็นความสุขแบบธรรมดาธรรมดาเป็นความสุขที่พึงประสงค์อย่างที่เราเรียกว่าโลคีสุขเนี่ ย, ยเช่น การมีงานการที่ดีมั่นคงการมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าการมีสุขภาพดีพวกนี้มันก็เป็นบอกเกิดแห่งความสุขนะซึ่งผู้คนก็ปรารถนามันอาจจะไม่หรูอว่าเหมือนกับความสุขที่เรียกว่าการมาสุขซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความสุขที่เกิดจากทรัพย์ ความสุขที่จะเกิดจากการเสดจึงต้องมีทรัพย์มีเงินมีทองมาเป็นเครื่องรองรับอันนั้นมันหรูหราเป็นความสุขที่หยาบเป็นความสุขที่ร้อนแรงแต่ความสุขที่มันดูเมินล่อเลี่ยงจิตใจเนี่ยจะเป็นการมีครอบครัวที่อบอุ่นการมีความสัมพันธ์ที่ราบเรื่นการมีมิตรสหายที่ดีมีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพดีพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ อยู่กับเราจนเราอาจจะไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นความสุขที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเรามากและบางทีมันก็อยู่กับเรานะจนกระทั่งเราไม่คิดว่าเราเติดมันนะแต่พอมันเริ่มแปลเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เช่นสุขภาพเริ่มไม่ดี มีปัญหาเรื่องการกินมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายมีปัญหาเรื่องการนอนมีปัญหาเรื่องการเดินแค่นี้นะหลายคนก็รู้สึกแจ้แล้วมันไม่ใช่แค่ทุกข์ทางกายอย่างเดียวนะมันทุกข์ทางใจด้วยอันนี้ก็เป็นผลจากการไปเป็นผลจากการติดสุขอย่างหนึ่งนะเป็นการติดสุขที่เราไม่รู้ตัวนะไม่เหมือนกับการติดอของกินติด ความเมตตอร่อยติดความบันเทิงเรืองรมอันนี้เนี่ยเราอาจจะพอพอรู้ได้ว่าติดมันรู้ได้ยังไงก็คือตอนที่ขาดมันไปละพอขาดมันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าเร า, า จ, จะไม่เฉลียวใจว่าความสุขจากการที่มีสุขภาพดี นะความสุขจากการมีครอบครัวที่ดีอันนี้เนี่ยมันก็สามารถจะก่อทุกข์ให้กับเราได้ถ้าว่าเราติดมันอย่างที่เมื่อวานนี้ได้พูดนะว่าเนี่ยเทวดาสนทนานกับพระพุทธเจ้าเทวดาก็บอกว่ามีโคก็สุพโคมีลูกก็สุขเพราะลูกผู้เจ้าก็ตัดแยง้งว่ามีโ ค, โคลู ก, กทุกเพราะลูก ลูกเนี่ยก็ให้ความสุขกับพ่อแม่แต่ว่าถ้าไปติดความสุขนั้นเมื่อไหร่นะพอลูกแปรเปลี่ยนไปใช่ลูกอาจจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือว่าลูกเจ็บลูกป่วยขึ้นมานี่หรือลูกถึงกับอเสียชีวิตเนี่ยหพ่อแม่จะเป็นทุกข์มากเลยบางคนเนี่ยมีสามีหรือภรรยาที่ดีมากเลยรักกัน ยืนยาวมาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีนะไม่เคยทะเลาะบบาแวงกัปเลยวันนั้นะเป็นโชคมากนะแล้วก็เป็นความสุขที่หาได้ยากแต่พอคนใดคนหนึ่งตายไปนี่คนที่ยังอยู่นี่แย่เลยนะยิ่งมีความสุขจากชีวิตคู่ที่ดีมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นเมื่อคนใดคนหนึ่งตายจากไปอันนี้เรียกว่าสุขเพราะอะไรเนี่ยก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะให้ความทุกข์กับเราได้หรือทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปยึดติดในสุขนั้นเช่นเดียวกันนะคำสารเสสนี่คายุ่งสารเสสนี่เวลาเราได้รับเนี่ยเราก็ปลื้มนะ แต่ก็ให้รู้ทันนะว่าอีกไม่นานความทุกข์ก็จะตามมาความเสียใจก็จะตามมาเพราะว่าพอคำสารเสวนั้นมันหายไปมันกลายเป็นคำต่อว่าจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยลเคยมีคนถามว่าทำยังไงเนี่ยเวลามีคนต่อว่าเนี่ยเราจรึงจะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่คับแคนคำตอบคือว่าเวลาคนชมเนี่ย ก็อย่าไปดีใจอย่าไปหลงไหลมากเพราะถ้าเราดีใจหลงไหลนะในคําชมเนี่ยพอเจอคําตําหนิมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยไอ้สุขและทุกข์นี่เป็น2อด้านของเหรียญเดียวกันนะโดยเพราะถ้าว่าเราไปยึดติดถือมั่นกับสุขเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากเมื่อความสุขหรือสิ่งที่ให้ความสุขกอบเราแปลเปลี่ยนไปไม่ว่าอะไรก็ตาม เพรนั้นเนี่ยเราจึางไม่ควรจะยึดติดในความสุขซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าความยึดติดบางอย่างเนี่ยเรายึดติดโดยไม่รู้ตัวอย่างที่พูดไม่เป็นสครูเนี่ยสุขเพราะสุขภาพดีหรือว่าสุขเพราะมีครอบครัวที่ดีมีคนรอบคนใกล้ตัวที่ มีน้ำใจไม่จะเป็นคู่ครองหรือมิตรสหายอันนี้เป็นความสุขที่ผู้คนเนี่ยติดโดยไม่รู้ตัวมารู้ตัวก็ตอนที่เจ็บป่วยแล้วหรือมารู้ตัวตอนที่คนคนนั้นหรือคนใกล้ตัวเนี่ยเกิดล้มหายตายจากไปหรือเกิดมียารเป็นไปขึ้นมาถึงตอนนั้นเนี่ยจึงรู้ว่า ว่าเราขาดเขาไม่ได้ที่ขาดไม่ได้เพราะความติดความยึดติดในสุขที่เกิดจากคนเหล่านั้นหรือเกิดจากความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นแต่เราก็ตามนะถ้าว่าเราเตือนใจอยู่เสมอนะว่าอะไรๆรก็ไม่เที่ยงอะไรอรก็ไม่เที่ยงในสุขที่เรามีในสุขที่เกิดจากการเสพสุขที่เกิดจากรูปกระทบตา หรือว่าเสียงกระทบหูหรือว่ารถเนี่ยกระทบลิ้นนะหรือพู้ง่ายคือสุกจากรูปรถกิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้เมื่อเราเตือนใจตัวเอง อ, งอยู่เสมอเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปหลงในความสุขเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนไปก็เหมือนกับปลานะ ถากว่าเจอเหยื่อและรีบพุบเนี่ยนะก็อาจจะโดนเบ็ดแทงได้เพราะว่าเหยื่อเนี่ยมันมันซ่อนเบ็ดเอาไว้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะความสุขที่เกิดจากกามความสุขที่เกิดจากรูกรดกินเสียงสัมผัสเนี่ยหรือการมาสุขเนี่ยถ้าคนเราตระหนักว่ามันมีโทษนะคือนอกจากมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโทษ มันเป็นสุขที่เจอไปด้วยเจอไปด้วยโทษการมาสุขเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการมาคุณก็หมายความมันมีคุณประโยชน์นะประโยชน์ของมันคือมันให้ความสุขกับเราแต่มันก็เจอไปด้วยโทษมันเหมือนกับเหยื่อนะที่เอาไว้ล่อปลาแต่ว่าข้างในเนี่ยนะมันซ่อนเบ็ดเอาไว้ ปลาเนี่ยมัไม่รู้นะตอนที่มันงับเหยื่อเนี่ยมันก็ดีใจนะแต่สักพักเนี่ยมันก็โดนเบ็ดทิมเอาอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับคนที่เพลินในสุขเนี่ยหรือพ่อการมาสุขเนี่ยสุดท้ายต้องเจอความทุกข์ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากความไม่เที่ยงของสุขหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราพอมันแปรผันไปนะ ก็เสียใจเศร้าโศกคล่ำคลวนแต่ที่จริงเนี่ยมันมีทุกข์ก่อนหน้านั้นแหละคือตอนที่ไปแย่งนะไปแย่งหรือสแสวงหาไอ้ตอนที่สแสวงหาเนี่ยมันก็เหนื่อยนะเพราะมันต้องแย่งกับคนอื่นได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องคอยรักษาอันนี้ก็เหนื่อยอีกแบบหนึง่งนะแต่รักษายังไงสุดท้ายมันก็เสื่อมไปสลายไป อันนี้แหละทุกเลยเสียใจโศกเศร้าอาจจะโดนน้ำท่วมอาจจะโดนไฟไหม้หรือว่ามีคนขโมยไปแต่ถ้าก็ว่าเราเตือนใจของเรานะอยู่เสมอนะเออเนี่ยไอ้สุขที่เราได้มานี่มันเจอไปได้วยทุกนะและแถมก็ยังไม่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนด้วยไอ้การที่เตือนใจแบบนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปไม่ไปหลงยึดติดกับมัน มากเกินไปเพราะไม่มีการเผื่อใจอาไว้แตรโยกัรเนี่ยก็ต้องมันนะสังเกตความรู้สึกของเรานะเวลาเกิดความยินดีขึ้นมาเวลาได้รับสิ่งเสรนะเวลาได้รับสิ่งที่ปรารถนาเกิดความสุขขึ้นมามันมีความยินดีนะมันมีความเพลิดเพลินก็เห็นมัน เช่นเวลากินอาหารอร่อยนะเวลาได้ฟังเพลงเพราะนะเวลามีลมเย็นๆพัดเนี่ยนะโอ้มันก็เกิดความรู้สึกยินดีเพลิดเพลินอันนั้นธรรมดานะสหรปุถุชนเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ให้เห็นมันรู้ทันมันรู้ทันมันได้ด้วยอะไรนะรู้ทันมันด้วยสติอันนี้ที่เรียกว่าเห็นเนี่ยเห็นความยินดี ถ้าเห็นเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปเป็นอันนี้คือสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไปหลงติดในความสุขนั้นทีแรกเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณาว่าไอ้ความสุขที่เราเสดความสุขที่เรามีมันไม่เที่ยงไม่ว่าสุขที่เกิดจากทรัพย์สุขที่เกิดจากยศสุขที่เกิดจากผู้คนใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเจอไปด้วยทุกข์แต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธมัน นะอย่างที่ได้พูดมาตั้งแต่ตอนแรกวนนี้เราไม่ควรสละหรือปฏิเสธความสุขที่ชอบทำํำแต่ว่าพอได้มันมาแล้วนะหรือเสพมันเป็นแล้วเนี่ยก็ให้มีความรู้ทันนะในอารมณ์ยินดีที่เกิดขึ้นอันนี้เรารู้ทันด้วยสตินะนอกจากรู้ทันรู้เท่าทันด้วยปัญญาแล้ให้รู้เท่าทันด้วยสตินะพอรู้เท่าทันด้วยสตินี่มันก็ไม่ไปหลงติดในความสุขนั้น ไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธความสุขนะแต่ว่าเราไม่ไปจมอยู่ในความสุขถ้าเรามีสติอันนี้คือสิ่งที่เราควรฝึกอยู่เสมอนะและประการต่อมาคือว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นสุขที่เรียกว่าเกิดขึ้นกับเรายืนพื้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นชั่วงรังชั่วคราวอย่างกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะดูหนังนะมันเป็นความสุขที่จะเรียกว่ายืนพื้นก็ได้นะเช่นความสุขเพราะมีสุขภาพดีเงี้ย ตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้นี่ก็มีสุขภาพดีตลอดเลยตัวนิ่งข้าวบางคนไม่รู้ว่านี่คือความสุขอย่างหนึ่งมารู้ว่าเป็นความสุขตอนที่เจ็บป่วยแต่รู้ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะว่าไปก็สายไปแล้วก็ได้เพราะไปยึดติดในสุขนั้นพอมันแปรผันไปพอร่างกายแปรผันความสุขภาพหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีหรือการมีความสุขเพราะว่ามี คนรักอยู่ใกล้เช่นพ่อแม่ลูกหลานมิตรสหายการที่เขาอยู่กับเรามาตลอดเนี่ยมันทำให้หลายคนไม่รู้ว่านี่นี่คือความสุขนะแต่พอเขาจากไปนะจึงรู้แล้วว่าเนี่ยโอ้เราสุขเราเคยมีความสุขทแท้แต่ตอนนี้เราสูญเสียความสุขนั้นไปนแล้วมารู้ว่าเป็นความสุขก็ต่อเมื่อสูญเสียคนเหล่านั้นไปนแล้ว แต่ตอนนั้นก็สายไปแล้วเพราะไปยึดติดในสุขนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเตือนใจอยู่เสมอนะอันนี้ต้องเรียกว่าต้องเจริญเตือนด้วยมรณสติเตือนด้วยมรา ณ, า ส, ตตมราณาสติว่าเนี่ยเราเองเนี่ยในสุก็ต้องตายแล้วก่อนที่จะตายเนี่ยร่างกายมันก็ต้องเสื่อมไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยคนที่เรารักที่ข้อให้ความสุขกับเราให้ความอบอุ่นกับเราให้ความยินดีกับเรา เขาก็ต้องจักไปเช่นเดียวกันนั้นถ้าเตือนใจด้วยมรณสติอย่างนี้อยู่เสมอเนี่ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปไม่ไปลหลงไหลเพลิดเพลิกับความสุขที่มีจนลืมตัวหรือทำให้เราเผื่อใจว่าเนี่ยไอ้สุขที่มีมันก็ชั่วคราวนะสักวันหนึ่งเราก็จะต้องนะเจอความทุกข์ การที่เรารู้ความรู้ใจต้องเจอความทุกข์รุ่งหน้าต้องเจอความโศกความเศร้าลุ่งหน้าเนี่มันทําให้เราเนี่ยยอมรับมันได้ง่ายขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นและถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับอารมณ์ความโศกความเศร้าที่เกิดขึ้นได้เราก็จะไม่หมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่ไปถูกอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันบีบคั้นจํายีหรือว่าทิ่มแทงจิตใจ ถ้าเรามันเนะตือนตนด้วยปัญญาเพื่อรู้เท่าทันในความไม่เที่ยงของความสุขที่มีหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเรารวมทั้งมีสติรู้ทันอารมณ์เพลิดเพลินยินดีเนะมื่อมีความสุขเกิดขึ้นรวมทั้งหมั่นเตือนตัวอยู่เสมอนะว่าเนี่ยในสิ่งที่เรามีในวันนี้วันหน้าก็จะหมดมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเรียกว่า ไม่เผลอหมกมุ่นในความสุขมากช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ติดในสุขถ้าเราไม่ติดสุขแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นนายเหนือความสุขก็ได้พอถ้าเราติดสุขเมื่อไหร่เนี่ยความสุขก็เป็นนายเราแต่ถ้าเรารู้เท่าทันความสุขไม่ติดสุขเราก็สามารถจะมีใจเปน็นอิสระได้มากขึ้นแล้วเมื่ออ น, นิจัง ควา ม, ม่มตีรังย่งยืนมาแสดงตัวออกมานะเราก็ไม่ทุกข์จนกระทั่งบทดเนื้อหมดตัวหรือข่ำครวนแต่ว่าสามารถที่จะยกจิตเหนือความทุกข์เหนือความโศกและสามารถที่จะเรียนรู้ถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตได้เย็นนี้พุท่านี้นะอ